และถามตัวเองซ้ำขึ้นมาอีกจะไปไหวไหมจะทนได้สักกินน้ำจะเอาของสูงมาครองได้แน่หรอฉันเปิดสมุดพบไม่ได้ตั้งใจจะเขียนอะไรเป็นพิเศษแต่พลิกไปเจอหน้าหนึ่งที่เขียนไว้เองว่าทางรอดจากา ว, วังวนวัฏสงสารนั้นแคบเดินยากและมีแสงสว่างฉายให้เห็นทางนั้นได้วูบเดียว